มุมมองกับวิธีคิดอย่างไรที่ทำให้ทุกข์ความยึดถือด้วยอารมณ์ร้ายกับยึดด้วยเหตุผลกรรมต่างกันผลต่างกันความทุกข์อันใหญ่หลวงในโลกนี้ไม่ได้ฝังตัวอยู่ในสิ่งที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเราแต่ฝังแน่นอยู่ในมุมมองวิธีคิดของเราเองคนเราไม่ได้ทุกข์เพราะเห็นใครบางคนจากไป แต่ทุกเพราะคิดว่าใครคนนั้นจะไม่กลับมาคนเราไม่ได้ทุกเพราะรู้ว่าเงินหายไปแต่ทุกเพราะคิดว่าเงินไม่อยู่เป็นของเราแล้วคนเราไม่ได้ทุก์เพราะได้ยินคําด่าแต่ทุกเพราะคิดว่าเขาด่าเราได้ยังไงสรุปว่าความทุกข์ทางใจส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะเกิดเรื่อง แต่เพราะเกิดความคิดหากฉลาดคิดฉลาดถามตัวเองเข้าเป้าได้ก็กระทอก ค, ความทุกข์ให้ร่วงเกา่าออกจากดวงจิตได้ง่ายๆเลยจดจอกับใจแบบไหนใจคุณจะเป็นแบบนั้นสังเกตธรรมชาติของใจยิ่งหมกมุ่นคิดโต้ตอบอยากหาเหตุผลมาคัดง้างอยากสรรคําำแสบแสบมาตอกหน้าให้สำนึก อยากสาบแช่งให้จมน้ำในสามวันเจ็ดวันใจคุณจะยิ่งเป็นทุกข์อยู่ในกรงแคบแน่นหนาขึ้นทุกทีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานพอเชื่อว่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นแนวโน้มคือคุณจะยิ่งทำอะไรให้มันแย่ลงเมื่อใจปักหลักอยู่กับความดีงามความรู้สึกดีงามย่อมถูกบันดาลให้เกิดขึ้นเป็นสมบัติติดตัว หากเห็นภาพรวมของชีวิตที่ผ่านมาเพื่อศึกษาแล้วเริ่มชีวิตใหม่ดีๆจะพบว่าเดิมทีมุมมองของเราเกิดจากคนอื่นชีวิตเราเคยอยู่ในช่วงแปรผันไปตามสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้อยู่ในช่วงทําให้สิ่งแวดล้อมแปรผันตามตัวเราได้เป้าหมายคือเราจะมีใจคอเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมให้ได้ ขอให้ระลึกว่าที่จะสละความทุกข์สลัดมุมมองแง่ร้ายออกจากตัวได้จริงเราต้องมีความสุขเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวเช่นที่จะไม่ห่วงทุกข์อันเกิดจากความคิดแค้นเราต้องยินดีในสุขอันเกิดจากการอภัยเมื่อรู้จักความสุขจากการอภัยครั้งหนึ่งให้จำว่ารสของการอภัยนั้นเบาโล่งหัวอกความรู้สึกเนื้อคิดสว่าง ใจว่างจะทุกข์กันแบบไหนให้ย้ำจำําย้ำระลึกถึงไว้ให้มากเมื่อใดความแค้นย้อนกลับมาเล่นงานใจอีกก็จะได้หนกลับไปนึกถึงง่ายๆซึ่งเท่ากับแทนที่ความแค้นได้ง่ายๆเช่นกันเมื่อมีความสุขกับจิตอันเป็นกุศลของตัวเองคุณจะเป็นคนหงุดหงิดยากความสว่างทางใจจะแหวกม่านหมอกมืดมัว เปิดให้เห็นโลกจากจุดยืนของตัวดีๆที่เราอยากเป็นไม่ใช่เห็นโลกจากฐานที่ตั้งของตัวร้ายๆที่คนอื่นเป็นกันความยึดถือด้วยอารมณ์ร้ายๆคือดื้อด้านความยึดถือด้วยเหตุผลดีๆคือเด็ดเดี่ยวกรรมต่างกันผลต่างกัน